ตัวเองเป็นหลักประการที่สองมีความเพียรที่ต่อเนื่องประการที่3 ม, มีเวทนาบาบางนี่ตัวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงประการที่4ีาเป็นคนซื่อคนตรงไปตรงมาประการที่5เป็นคนมีสติสัมชัญญาปกติ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 นิรามิสรัตุขะมสุขังเวทนาเวทียามิติประชานาติย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอุตคมสุขเวทนาไม่เจืออมิตรแต่ในนั้นรู้สึกอยู่มีสวดว่าเป็นเจืออมิตรคือไม่เจืออมิตรนี่ยนะตรงนั้นเข้าไปดูทีหนึ่งถ้าหากว่าพิมพ์ผิดก็คงจะต้องแก้นะก็เท่านี้ในบทสวดที่เราสวดมาก็คือความรู้สึกที่เป็นเวทนามีสมประเภท คือความรู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเรียกว่าทุกข์กเวทนาบางครั้งมันอยู่กลางๆจะว่าสบายก็ไม่ใช่จะไม่สบายก็ไม่มเชิงเขาเรียกอะทุกข์กมิสุขเวทนามันมีอยู่สมตัวแต่ถ้าบอกว่าสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์บางครั้งมันก็ไอใสเยื่อเกิดบางครั้งมันก็เกิดโดยไม่ไดออ้ใสเหยื่อที่เราส่วนมาเมื่อกี้คําว่าเยื่อนี่ใช้คำ ว, ว่าอามิต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 อย่างสมมุติเกินอาหารเนี่ยมันก็เป็นเวทนาที่ลิ้นว่าอร่อยเท่านั้นเองเราถึงติดรสอาหารพราะติดเวทนาว่ารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็กินได้เยอ ะ, อะเห็นภาพมันรู้สึกชอบแล้วก็เข้าไปหาได้ยินเสียงคนที่พูดเพราะเราก็าอยากฟังได้อากาศดีแล้วก็อยากอยู่แช่อยู่อย่างนั้นเราติดเวทนาทั้งนั้นก็นโลกติดติดเวทนาแล้วก็ทําให้คนอ่อนแอ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 เดสันจะโยนิโลโทจะเอวังวาธีมหสม น, นูแค่นี้เข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมเลยโอ้ทำไมง่ายขนาดนัน้นคนสมัยนั้นพอฟังประโยคเดียวได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบนันมันคาถานี้สาคัญอย่างไรเย่เด๊บทเยธรรมาเหตุภาวะบสิ่งใดสุขสิ่งทุกอย่างในในโลกเนี่ยมันมีเหตุมันถึงเกิด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 เอาไปล้างหน้าว่างั้นลูกไปล้างหนา้าล้างหน้าสักพักก็ ง, ง่วงอีกแล้วเอ๊จะทําทไงางั้นมองนู่นดูพระอาทิตย์เลยว่างั้นน้องจ้องพระอาทิตย์เลยตามันตื่นหันก็จ้องพระอาทิตย์ได้สักพักหนึ่งก็ง่วงอีกลูกแยาก็ถามว่าเธอจํา ม, มูลอะไรได้ไหมที่มันคล่องปากอ๋อจำได้ท่องว่าคลองดังดัง ม, มันรู้สึกสวดขึ้นมารู้สึกง่วงขึ้นมาสวดดังๆังใน <c oughs> ที่สุดนั้นก็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 ว่าเมื่อใดนักปฏิบัติมีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เพียนเพ่งอะไรเพียนเพ่งรูปกับน้ำเมื่อนั้นทมทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่ถามนั้นว่านักปฏิบัตินั้นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดเพราะมีเหตุ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 แล้วไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายเสียก็อะไรก็ไม่เกิดหายสงสัยท่านบอกว่านั่นนะ่ะแสงสว่างก็เกิดขึ้นขเขาเรียกเป็นปฐมโอทานในคาถานี่นะแล้วในขณะที่ท่านบำเพ็ญเนี่ยก็ปรากฏว่าวันก่อนเอามาถึงพูดถึงฌานปุเพนิวายสานุสติยานเกิดเห็นรูปนามเกิดขึ้นแล้วก็สาวย้อนกลับคืนไป